ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงทําจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องอ น, นังคณะสูตรคือสูตรที่ว่าโดยผู้มีกิเลสและไม่มีกิเลสตอนนั้นรู้ยญาตประทับอยู่ที่ไปเช็ด ต, ตะวันปสาริบุตรได้เรียก พิสูจทั้งหลายมาชุมนุมกันแล้วท่านก็บอกว่าคนในโลกนี้มีสี่ประเภทที่เกี่ยวกับอนังคณาเกิเอจะเรียกว่าผู้ไม่มีกิเลสหรือว่าผู้มีกิเสกล่กาวโดยสรุปก็คือพวกหนึ่ง มีอันคณะกเกลเอตอยู่ภายในแต่ไม่รู้ว่าตนมีอันคณาเกลเอตอยู่ภายในสองพวกหนึ่งมีอันคณะกเกลเอตอยู่ภายในแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงว่าตนมีกิเลตอยู่ภายในพวกที่สามนั้น คือไม่มีอานังคนักิเลสอยู่ภายในแต่ไม่รู้ว่าตนไม่มีอานังคนักเิเลสอยูふふ่ภายในผู้ที่คือไม่รู้รู้ว่าตนมีอานังกนกิเลสอยู่ภายในตัวเองนัไม่มีอานังคนักิเลสอยู่ภายในแล้วก็รู้ว่าตนไม่มีอานังกนกกิเลสอยู่ภายใน คือธรรมะมเทศนาในแนวแนวนี้มักจะปรากฏในจตุกันิบาตดังคุตตนิกายอาจจะทรงแสดงมาเยอะมากเห็นว่ามะม่วงมีสีมม่ชนิดชนิดหดนึ่งข้างนอกก็ดิบข้างในก็ดิบชนิดที่สองข้างนอกดิบแต่ข้างในสุกชนิดที่สามข้างนอกสุกแต่ข้างในดิบ ชนิดที่สี่ข้างนอกก็สุดข้างในก็สุขหรือว่าแม่น้ำสี่ประเภทแม่น้ำชนิดหนึ่งแคบด้วยแล้วก็ตื้นด้วยแม่น้ำชนิดที่สองแคบแต่วลึกแม่น้ำชนิดที่สามกว้างแต่ตื้นแม่น้ำชนิด 4, ที่สี่ทั้งกว้างทั้งลึกหรือว่าพูดถึงตัวเงาในแม่น้ำ น้ำตื้นเงาก็ตื้นน้ำตื้นเงาลึกน้ำลึกเงาตื้นน้ำลึกเงาลึกอะไรเนี่ยก็จะมีสีสีอยู่ด้วยเป็นประเด็นที่พระเทระยกขึ้นเพื่อส่วนหนึ่งก็คือให้ภิกษุได้ตรวจสอบดูตัวเองประวัตการได้รับผลจากธรรมปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวคน คือเป็นเรื่องปัจจต่างก็สืบสอบดูตัวเองว่าตัวเองอยู่ในประเภทไหนถ้าประเภทที่ยังมีกิเลสแต่ไม่รู้ก็พยายามตรวจสอบดูว่าตัวเองมีกิเลสหรือไม่ทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีกิเลสแต่ไม่รู้ก็พยายามตรวจสอบดูหรือมีกิเลสแต่รู้ก็ต้องสศึกษาเห็นโทษ คำว่าอนังคณะแปลว่าบุคคลผู้ไม่มีกิเลสอังคณะนั่นแปลว่ามีกิเลสตามปกติกิเลสประเภทอังคณะนี่จะใช้ตัณหามานะจิิหรือว่าความอยากได้ความอยากใหญ่แล้วก็จิตใจที่รับแค่ เป็นอาการทั่วๆไปทีนี้เมื่อพระเทนะได้แสดงแล้วตั้งกอธิบายว่าในบุคคลทั้งสี่ประเภทนั้นนบุคคลใดมีอังคณะกิเลสแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเรามีอังคณะกิเลสในภายในในบุคคลสองจำพวกที่มีอังคณะกิเลสเหมือนกับ เหมือนกันนี้บุคคลนี้คือจำพวกที่หนึ่งบดีกล่าวว่าเป็นบุรุษเลวสามในบุคคลที่สี่สี่จำพวกนั้นบุคคลใดไม่มีอังคณกิเลสรู้ตามเป็นจริงว่าเรามีอังคณิเลิดภายในในบุคคลสองจำพวกนี้มีอังคณกิเลิก็เหมือนกัน บุคคลจำพวกที่สองบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุคคลประเสริฐหือหมายความว่าพูดง่ายๆนะคนผ่านที่รู้ตัวเองว่าเป็นคนผ่านก็มีโอกาสที่จะเป็นบัณฑิตแต่คนผ่านที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนผ่านเนี่ยเป็นคนผ่านแท้เปิดบัณฑิตที่รู้ว่าตัวเองเป็นบัณฑิตมันก็เป็นบัณฑิตแท้ แต่ว่าเป็นบัณฑิตไม่รู้ว่าตัวเองเป็นบัณฑิตก็แน่นอนในเนื้อหาจริงๆท่านก็เป็นบัณฑิตแต่ก็ไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงก็ไม่จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐแท้แต่ประเสริฐนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าไม่ประเสริฐแท้ทีนี้เมื่อระษารี่บุตรกล่าวอย่างนี้พระมหาโมคคัลลานะซึ่งก็นั่งอยู่ด้วย อะไรตั้งคำถามว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคลสองจำพวกที่มีอังคณากิเลสเหมือนกันคนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษเลวทรามคนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษผู้ประเสริฐแล้วก็อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคลสองจำพวกที่ไม่มีอังคณากิเลสเหมือนกัน คนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษเลวทามคนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษผู้ประเสริฐคือหมายความว่ามีหรือไม่มีกิเลสด้วยกันแต่พอแบ่งออกเป็นสองก็ฝ่ายหนึ่งคนหนึ่งเป็นคนเลวทามคนหนึ่งเป็นผู้ประเสริฐไปบาษาทีบุตรก็กล่าวว่า บุคคลใดที่มีอังคณากิเลสแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเรามีอังคณากิเลสในภายในข้อที่บุคคลนั้นพึงหวางได้คือเขาจะไม่ยั่งความพอใจให้เกิดจากไม่พยายามจากไม่ป ร, รบความเพียรเพื่อจะละอังคณากิเลสนั้นเสียเขาจะเป็นผู้มีราคาดมีโทสะมีโมหะมีกิเลสมีจิตใจเศรามหมอง ทำกาละเปรียบเหมือนถอดถาทองสำริดที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาดหรือแต่สกุลช่างก็ในขณะนั้นอย่างน้อยก็มีละอองมีสนิมจับอยู่แต่ว่าท่านไม่รู้ว่ามีละอองมีสนิมก็ไม่มีการทำาราล้างขัดสี โอกาสที่จะเจอพิษภัยกับสนิปของถาดสำริดมันก็มีได้ท่านจึงบอกว่าเจ้าของไม่ใช้และไม่ขัดถูถาดทองสำริดนั้นสังเก็บไว้ในที่มีตะอองเมื่อเป็นเช่นนั้นต่อมาถาดทองสำริดนั้นจะพึงเป็นของมวหมองสนิมจับยิ่งสนิมจับยิ่งขึ้นไม่ใช่พ ร, ระโมคคลลานะก็เห็นด้วย ท่านก็บอกว่าบุคคล น, นี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันยังมีอังคณะกิเลสอยู่แต่ไม่รู้ความเป็นจริงว่าเรายังมีอังคณะกิเลสในภายในข้อที่บุคคล น, นั้นพึงหวังได้คือเขาจะไม่ทำความพอใจให้เกิดจากไม่พยายามแต่ไม่ประรกความเพียรเพื่อลักกิเลสนั้นเสียเขจาจะเป็นผู้มีราคะมีโทสะมีโมหะมีจิตทบมองทากาละ ทีนี้เมื่อจิตส ม, มองคําประหลัดกติพบที่จะไปดูบัติมันก็เป็นเป็นกติเป็นพบที่เป็นอันบายในดีทีนี้ในประเด็นที่สองพระสารีบุตรอธิบายว่าบุคคลใดยังมีอังคณากิเลสอยู่ก็รู้ตามความเป็นจริงว่าเรามีย่างมีอังคณากิเลสในภายในก็เป็นเหตุให้ท่านพยายาม เราบความเพียรมีพยายามติดต่อกับเกลากิเลสตัวเองให้เชื้อจางบาบางลงไปแล้วในที่สุดมันก็เหมือนกระถาดสมฤ็ิอย่างที่ว่ามนแล้วคือว่าเราได้มาจากร้านหรือจากอะไรก็ตามแหลวมันก็ต้องมีฝุ่นมีละอองมีทุลอยู่ เราเห็นตามความเป็นจริงเราก็ขัดให้ดีสก่อนถึงจะใช้งานในสุดเราก็เป็นเจ้าของถัดสมริดที่สะอาดใช้งานได้จิตใจของบุคคลเราก็เหมือนกันประการที่3าท่านบอกว่าบุคคลใดไม่มีอังคณากิเลสแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีอังคณากิเลสในภายใน ก็าการที่เขาจะมนัติการถึงสุพานิมิตคือจิตที่กำหนวดว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องมันก็จะเกิดขึ้นเพราะมานัศิการเช่นนั้นราคาโลภะโทสะโมหะก็จะเกิดขึ้นครอบงำจิตใจองทันก็จิตจะทรหม อ, องทากาละก็เหมือนถาดสมนิต่างที่กล่าวแล้ว คือเขาไม่ได้ทำละขัดสีสิ่งคุณมัวสร้าหมองให้ออกไปคือปล่อยไปานานๆน่ะในที่สุดกิเลสมันก็เกิดขึ้นดังนั้นการที่ปฏิบัติธรร ม, มานี่โดยหลักการที่ท่านสอนก็คือว่า มันมีการสูตรสอบคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับเรื่องสัจจะทิธิกับอุเทนทิฏฐิเนี่ยเราเห็นว่าเป็นที่มาของสัพกิเลสสารพัดเช่นถ้าเราไปมองว่าสิ่งทั้งหลายขาดศูนย์เมื่อขาดศูนย์ก็แสดงว่าชีวิตก็จบลงที่ตาย เมื่อจบลงที่ตายก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องทําความดีละความชั่วเพราะมีค่าเท่ากันทีนี้ถ้าหากว่าถือว่าสิ่งทั้งหลายมันเที่ยงแท้ก็เที่ยงแท้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะเปลี่ยนแปลงไปก็ทํานั้นเองทำหรือไม่ทําก็เหมือนกันแหละพเราตายจากคนก็เกิดเป็นคนตายจากแมวก็เกิดเป็นแมวตาตยจากโคก็เกิดเป็นโคอยู่ แต่ทีนี้อุเฉทิฏฐิกับสัตตทิฏฐินี่มันแบง่งออกเป็นสองฝ่ายอุเฉทิฏฐิก็แบง่งเป็นสองฝ่ายคือศูนย์หมดพวกนี้จะไม่พยายามอะไรศูนย์บางสิ่งต่านกำหนด อ, อะไรไม่ศูนย์ล่ะแต่ไปกําหนดที่จิตท่านเข้าใจจิตยังไงลนะและในสุดท่านก็จะพัฒนาจิตถ้าก็ใจถูกต้องเนี่ยท่านก็จะพัฒนาจิต จิต ใ, ใจก็จะสะอาดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นสูงขึ้นพบภูมก็จะประณีตขึ้นแต่ในในิสสัตตะทิติ 3, มันก็มีบางอย่างบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงในกรณีที่บางอย่างไม่เที่ยงเนี่ยถ้าท่านชัดเจนว่าอะไรคือไม่เที่ยงท่านก็จะพัฒนาตรงนั้นแล้วในที่สุดมันก็ไปได้เหมือนกันแต่ว่า คนเราาสราบใดที่ยังไม่บรรลุอเดียมากกเดียผลก็คงจะมีพวกทิฐินี้อยู่แหละเพราะแนวที่พระเทรซยกขึ้นมาก็โดยก็มีกระจายประเด็นออกไปเยอะนานๆเราจะเจอในลักษณะอย่างนี้สักครั้งหนึง่งแล้วท่านก็บอกพระโมคคลลานาว่า บุคคลนั้นก็ฉะนั้นเหมือนกันไม่มีอังคณาเิเรแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีอังคณาเกเรข้อที่บุคคลปึงปึงอจปึงมานักสิการถึงสุพานิมิตมันก็เกิดขึ้นพอไปตรึกนึกมกันกกเรมันก็ฟูขึ้นได้เพราะว่ามันไม่ได้หมดจริงๆมันเป็นเรื่องความสงบ เพราะถ้ า, าว่าท่านไปอยู่ระดับที่เป็นพระยาบุคคลก็คงไม่เป็นอย่างนั้นทีนี้ในบุคคลสีจ่จำพวกนั้นบุคคลใดไม่มีอังคณากิเลสก็รู้ตามเป็นจริงว่าเราไม่มีอังคณากิเลสในภายในข้อที่บุคคลนั้นพึงหวังได้คือเขาจักมราสิการสุภานิมิต รอบมนัสิการสุภาพนิมิตของเขาราคะจักไม่ครอบงาําจิตเขาจักไม่เป็นผู้เขาจะเป็นผู้ไม่มีราคาไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีอังคณากิเลตมีจิตใจไม่เศร้าหมองทํากาลาก็เปรียบเหมือนถาดทองคําดังกล่าวเพือที่เป็นของสะอาดแล้วก็พร้อมที่จะใช้ในทันทีทันใดก็ใช้เมื่อไรก็ได้เพราะว่าเป็นภาชนะทิสา ทีนี้ท่านก็หันไปถามว่าถาทองสำนิดนั้นจะเป็นของสะอาดหมดจดยิ่งขึ้นไมมใช่หรือพระมกคลานะาก็รับคำว่าเป็นอย่างนั้นแล้วท่านก็บุคคลนั้นก็เหมือนกันคือแม้จะไปมนาสิการถึงสุภานิมิตกระดามแต่มนาสิการด้วยปัญญา สัตวรูปสัตเสียงสัต่กลินสักตรสปิจลืมบคนที่บรรลุด้วยรูปสวยๆเสียงไพเราะกลิ่นหอมหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องเนี่ยมีเยอะไอจุวต่างก็คือมณสิการพิธีคิดไิธีมองว่าเอาก็ยจรเรามองอย่างไรอย่างแนวคุณสมถะกรรมฐานถ้าฟังจะเห็นว่า อารมณ์ที่กําหนดให้ตั้งสติระลึกจะมีลักษณะเป็นกุศลกับกลางๆ ก, ก็เรียกว่าอยู่ในกลุ่มของทุกขักุศลในส่วนใหญ่แต่พอวิปัสสนาเนี่ยจะไม่มีรูปแบบคือหมายความมาพิจารณาอะไรก็ได้ให้มองเห็นความจริงตามกฎของปฎใจหลัก จิตใจก็จะเบื่อหนายคลายกำลังไปโดยธรรมชาติของเราแต่ท่านก็นสรุปว่าท่านมโมคลาะนะน้แลเป็นเหตุนีิแลเป็นปัจจัยที่ทําบุคคลสองจำพวกที่มีกิเลสเหมือนกันคนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษเลวทรามคนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษผู้เพ ร, เริฐ แล้วกรณีแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้บุคคลสองจพวกที่ไม่มีอังคณากริยาร่วยกันคนหนึ่งบัรดิกล่าว่าเป็นบุรุษเลวสามคนหนึ่งบันดิกล่าว่าเป็นบุรุษ ป, ประเสริฐทีนี้แท้ก็ตั้งประเด็นปัญหาว่าคํากล่าวที่ว่าอังคณาอังคณาเป็นชื่อของอะไร ทศายบยุก็บอกว่าเป็นชื่อของอิสาวจรที่เป็นบาปอกุศลคือหมายความว่าการสายไปของสายสายไปของจิตในกระแสของอกุศลนะกิเลสตัวไหนกระตุ้นก็ไม่รู้เพราะว่าตันแสดงไว้เยอะมากเช่นยกตัวอย่างว่า ภิกษุบางรูปในธรรมีใ น, นนี้เกิดการปรารถนาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ต้องอบับติแต่ภิกษุทั้งหลายอย่ารู้ว่าเราต้องอาบตะเลยแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุทั้งหลายพึงรู้ว่าภิกษุนั้นต้องอบับตะเธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าท่านูุมีอายุทั้งหลายรู้ว่าเราต้องอบับติความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคนาเก หมายความว่าทําผิดแล้วไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าผิดผมมีคนรู้ก็จะโกรธคนที่รู้แนวฆ่าปิดปากฆ่าตัดตอนฆ่าอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็มีลักษณะอย่างเงี้ยหมายความว่าคนทําผิดแล้วไม่อยากจะให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองทําผิดเลยใช้วิธีฆ่าปิดปากประการต่อไปภิกษุในธรรมินาย น, นี้ เป็นผู้ต้องอาบัตเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ต้องอาบัติภิกษุทั้งหลายพึงโจทย์เราในที่ลับไม่พึงโจทย์เราในถ้ำกลางสูงแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุทั้งหลายพึงโกรธภิกษุนั้นในถ้ำกลางสูงคือไม่โกรธไม่ไม่โจทย์ในที่ลับคือแนวการโจทย์อาบัติแก่ภิกษุเนี่ยวิธีกําหนดให้ ท, ทําในถ้ำกลางสรง คือประชุมสงฆ์เขเรียกว่าในที่พร้อมหน้าสงฆ์ในที่พร้อมหน้าวัตถุในที่พร้อมหน้าบุคคลในที่พร้อมหน้าตัววินยัยหรือพระธรรมวินยัยมิยงประกอบพร้อมแล้วเมื่อจะโจทย์นะก็ขอโทษท่านก่อนขอโอกาสท่านจะให้โอกาสไหมถ้าไม่ให้ก็แล้วไปก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เป็นการช่วยกันที่จะให้ท่านออกจากอบาททับตะนั้นเองมันเป็นเรื่องของท่านอ่ะ ถ้าท่านต้องอาบาัตท่านก็บาปเพราะอาบัติของท่านเองการโจทจึงเกิดขึ้นด้วยความเมตตากรุณาหวังความเจริญงอกงามในธรรมินัยแก่ภิกษุเหล่านั้นแต่เขาไม่ต้องการก็ไปเรื่องของเขาก็ปล่อยไปตามกรรมแต่ในที่สุดมันก็จะไปถึงจุดตรงนั้นแหละเจ้าวันก่อนมี มิโยมเข้าใจว่าเป็นคนแก่แล้วแตแกบอกด้วยว่าแกแกเป็นคนคนคนแก่ก็ถามเรื่องพระพิสุรูปหนึ่งที่ท่านคุ้นเคยระโยมก็ไปกล่าวหาว่าต่านไปสัมพันธ์กับผู้หญิงถต่ว่าจะโจดีไหมบอกเป็นเรื่องของโยมโยมคิดตัวเองกันแล้วกัน ในสำหรับพระธนนนั้นเองที่เขาห้ามปกปิดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุอื่นแต่ว่าชาวบ้านเขาไม่ได้ห้ามเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าโจ์ไปแล้วมันจะมีปัญหาก็ไม่ต้องโจ์ก็ปล่อยท่านไปต่างกรรมท่านแต่ถ้าโจ์เราก็ไม่ได้ติโจ์ในท่ากลางสงหรอกเรือพูดคุยกับผู้ใหญ่ทั้งท่านหรือว่าไปคุยกับตัวท่านเอง หรือจะเขียนจดมาตักเตือนอะไรเนี่ยปัจจุบันเราก็มีสื่ออะไรที่จะช่วยเยอ ะ, ระแรกแต่คิดเอากแล้วกันเรในที่สุดรู้สึกจะปล่อยไปตามกรรมเพราะว่าบางทีในการมองปัญหาอะไรมันง่ายเกินไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือข่าวคราวเกี่ยวกับพระกากระสกาเนี่ยนะ มันเป็นเรื่องอ่อนไหวสุดๆเลยพระเองก็ต้องระมัดระวังมากญาติโยมเองก็ต้องระมัดระวังมาเพราะว่าถ้าถูกโจทย์แล้วเนี่ยเขาเชื่อเขาเชื่อคนโจทย์มากกว่าเชื่อพระซึงถือว่าเป็นเป็นความคิดที่แปลกโดยไม่มองฐานของพี่มาของผู้โจทย์และผู้ถูกโจทย์ ว่ผู้โจทย์มีศีลสักข้อหนึ่งหรือเปล่าเอาศีลห้าอันนี้มีหรือเปล่าเดี๋ยวผู้ถูกโจทย์เนี่ยเขารักษาศีลตั้งเยอะเดี๋ยวเขาก็บวชกันมานานๆมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้ง่ายที่ว่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับสตรีเพศเพ่าว่าอย่างน้อยเราก็อยู่ในเพศของส ม, มณะเนี่ย แต่กิจกรรมต่างๆมันดึงกายดึงจิตออกจากอำนาจของกิเลสก็ขัดเกลอกิเลสไปเรื่อยๆทำได้มากหรือทำได้น้อยก็ไม่รู้แหละก็แล้วแต่ท่านแต่ว่าโอกาสที่โจทย์แล้วผิดเนี่ยอย่างสมัยจอมพลสริที่โจทย์พระเยอะเลยแต่พระสุดไปเยอะแล้วผลจะทายสารตัดสินยกฟ้องหมดเลย ตอนนั้นพระเหล่านั้นก็กลับไปบวชไม่ได้ก่อนที่มีกลับไปนุ่มจิบวนใหม่ก็มีเฉพาะหลวงพ่อวัดมาธาตุซึ่งต่อมาก็ได้เป็นสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอยู่ระยะหนึ่งเพราะเรื่องเรื่องเหล่านี้อย่าอย่าตัดสินอะไรง่ายเกินไป โดยเฉพาะเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เนี่ยเราต้องมองในแง่ความจริงว่าสามีพัญญาเ้าอยู่กันมีลูกมีเจ้าเป็นโหลก็ยังไม่เคยเห็นใครเขามีเพศสัมพันธ์ใครไม่มีใครเห็นเขามีเพศสัมพันธ์กันถ้ า, าว่าเป็นพระไปทำเช่นนั้นแล้วคนเห็นนี่แหมมันนึกไม่ออกเหมือนกันนะนี่ก็เป็นข้อคิดแถมเข้ามา เพื่อจะให้ได้หลักในการคิดกันมองว่าโดยธรรมเนียมการโจดแล้วเนี่ยคือพระก็ต้องโจดเองไม่ใช่ชาวบ้านมาโจดไม่ใช่ชาวบ้านมาโจดพระแล้วก็เราจะต้องปฏิบัติตา น, นั้นพระวิตรจะกาหนดเอาไว้ว่ า, นนวาพระรับสรารภาพอย่างไรก็ให้ปรับอย่างนั้น แต่ถ้ า, าว่าคนที่โจทย์เป็นพระญาบุคคลก็มีน้ำหนักนะฮะมีน้ำหนักคือท่านไม่เจอไม่โจทย์ไอ้ผีพรามโจทย์หรอกระเมตตาโจทย์เพราะงะั้นก็ต้องฝั่งท่านทีนี้เป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในธรรมิน น, นี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ต้องอบัตหนอ ภิกษุผู้เท่าเทียมกันพึงโจทดภิกษุผู้ไม่เท่าเทียมกันไม่พึงโจดแต่ก็เป็นไปได้ที่ภิกษุซึ่งไม่เท่าเทียมกันในโจเพราะฉนั้นจิตใจก็นั่นก็โกรธโกรธว่าไม่ให้เกียรติกันนะเรามีอายุพรรษามากกว่าไม่ควรจะมาโจดที่จริงมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขากําหนดให้เป็นภาระของพระที่จะโจทดผลพระบทพรรษาเดียวก็ได้กระโจด แต่ว่าให้มีข้อมูลหลักฐานนะถ้าไม่งั้นก็ปรับบัตนะปราบบัปหนักเหมือนกันกแสดงว่าแนวการโจดกันในลักษณะนี้มันก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลคือโจด ท, ที่มุ่งทำลายด้วยความริษยาหรือความโกรธด้วยความผูกโกรธหรือความริษยาด้วยความแข่งดีด้วยความมายาด้วยความตนีอะไรต่างๆมันมีเยอะ ทีข้อต่อไปพระเถระก็กล่าวว่าเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในธรรมในนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าถ้ากระไดหนอพระาศาสดาพึงทรงสักถามเราเท่านั้นแล้วทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายไม่พึงทรงสักถามสอบถามผู้อื่นแล้วทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเลย อันนี้ก็กลางนิดหน่อยนะคือหมายความมันอยากเด่นอยากดังอยากมีหน้ามีตาแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระญานะทรงรอบรู้ว่าใครควรจะถามหรือไม่ควรถามแล้วถามแล้วเธอจะตอบถูกหรือไม่ถูกกันไรเนี่ยคือไม่จะถามง่ายๆพระเจ้าจะถามผู้รู้เห็นว่าไม่รู้ก็ไม่ถาม ทีนี้เป็นไปได้ที่ภาษาสลาพึง ส, สงสักถามสอบถามภิกษุนั้นแล้วก็ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายก็หาทรงสักถามภิกษุนั้นไม่แต่ว่า ส, ง ส, าสางรงสักถามภิกษุทั้งหลายทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทัทง้ทงหลายเธอก็จะโกรธพระพุทธเจ้าคือไม่เป็นไปตามที่ตัดตั้นท่านต้องการนานมาแล้วเคยเล่าให้ฟังเรื่องภิกษุรูปหนึ่งเป็นภิกษุใหม่ ภาษาลิบุตรได้มากราบภูลลาพระพุทธเจ้าเพื่อจะริกไปในชนบุก็พระมาส่งกันเยอะระษาลิบุตรก็ขอลาภิกษุทั้งหลายนั่นแหละแต่ไงมันก็ทักขายไม่ทั่วถึงหรอกภิกษุรูปหนึ่งก็พยายามจะเงื้อหน้าตัวเองให้พระเทระทักพระเทระไม่ทันได้ทักเรา ก็อมองไม่เห็นพอดีไอ้ชายสังคติของท่านอะไปกระทบตัวพิสุทนั้นเข้าไปฟ้องพูดพุทธเจ้าอยากดังบอกว่าภาษาดิบุตรรังแกท่านประแทกท่านพระเจ้าก็เรียกภาษาดิบุตรมาให้ภาษาดิบุตรชี้แจง สาษาิบุตรท่านขอโทษไอที่สูนั้นตกใจมากเกิดร่าเ้อะขึ้นมาจากข้างในต้องขอกรามโทษต้องสารภาพความผิดแต่เล่นกับพระอราหารันต์เขาเล่นกับไฟเขาเรียกว่าอาหูเนยยักษิคือกับพระอราหันต์อย่าไปเล่นไม่ใช่ของเล่นข้อต่อไปท่านกล่าวว่า เป็นไปได้ที่พิสูุบางรูปในทําองไหนนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าถ้าเกรงหนอพิสูจนทั้งหลายพึงแวดล้อมเราไปเข้าบ้านเพื่อฟัดอาหารเดีแวดล้อมพิสูจอื่นเข้าบ้านอันนี้ก็ต้องการบริษัทบริวารก็เรียกว่าเป็นความปรารถนาหลามกภาพเดินไปได้ท่านก็จะเกิดตัณหาต่อหมายความมาอยากจะเพิ่มบริวารต่อถ้าไม่ได้ท่านก็จะโกรธ แล้วอาจจะโกรธคนพระที่ภิกษุห้อมล้อมเวลาบินธ บ, บาตหรือว่าโกรธภิกษุกราบไปเลยคือจิตไม่เป็นพานแล้วมันก็คิดพานได้เรยๆหรือว่าปรารถนาที่จะได้อะไรเลิศเลิศหมดเจ็ดเสนาสนะเลิศบินธ บ, บาตเลิศอยู่ในโรงฉันที่เลิศอะไรต่างๆหมายความต้องการดีๆ ต้องการให้ได้รับความการทนุบำรุงด้วยสิ่งที่ดีๆแต่เมื่อไม่เกิดอย่างเนี้ยอย่างอย่างพระเทวทัตเนี่ยมันก็เกิดประเด็นตัวเนี้ยพระเทวทัตตอนนั้นพระเจ้าเสด็จมือไพรสัลีแล้วก็มีคนมาตอนรับเสด็จเยอะมากแล้วคนก็ทักทายสอบถามพระธิรารูปนั้นมาไหมรูปนี้มาไหมอะไรแต่อะไรก็จอแจจงกิจจ่อแจไปหมดเลยไม่มีใครถามพระเทวทัต รุ่งเช้าขึ้นมาท่านเหล่านั้นก็บินทบาทมีคนตักบาทกันเป็นจำนวนมากพระเทวทัตก็ขาดแคลนก็เกิดรทิษยาแข่งดีเ้าก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันเราเป็นภิกษุก เ, ก เ, เหมือนกันเราก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันบวชมาพร้อมกันทําไมคนเหล่านี้จะได้รับการเคารพนับถือจากชาวบ้านทั้งหลายก็เลยก็ลําปามไปเรื่อยจนเกิดเรื่องเกิด ร, ร, ราขึ้นหรือว่า ถ้าบางรูปเนี่ยคิดว่าเราเท่านั้นควรฉันในโรงฉันแล้วอนโมทนาคือสมัยก่อนในการอนุโมทนา เ, าเป็นหน้าที่ของภิกษุรูปใด ร, รูปหนึ่งตามที่ประธานสง์ในที่นั้นพระพุทธเจ้าจะอยู่ก็จะมอบหมายให้ภิกษุรูปใด ร, รูปหนึ่งตัวนี้ก็พระกลางๆเนี่ยอยากดังอยากเด่นอยากดัง ทีนี้ถ้าเขาไม่มอบหมายให้หรือว่านิมนรูปอื่นเธอก็จะโกรธไม่เชืช่นชื่นเธอคิดว่าีิสู่อื่นในโรงฉันแล้วอนุโมทนาเราฉันในโรงฉันแล้วไม่ได้รับอนุโมทนาก็เกิดไม่พอใจแล้วตามปกติลักษณะของคนพาเนี่ยจะไม่ตรวจสอบตัวเอง จะไม่สรวจสอบตัวเองแต่ว่าจะตรวจสอบคนอื่นด้วยเห็นความผิดของคนอื่นด้วยหรือว่าต้องการที่จะเป็นผู้นําในเรื่องทั้งหลายเช่นเราเท่านั้นควรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในอารามภิกษุอื่นไม่ควรแสดงธรรมแต่ก็เป็นไปได้ที่ผู้อื่นแสดงธรรม เธอไม่ได้แสดงเธอไม่รับมอบหมายอา้าโกรุฎิกะอันนี้ก็เป็นอังคณาทั้งสองเนี่ยชื่อว่าเป็นอังคณาทีนี้อังคณาที่เก้าก็ภิกษุในธรรมในนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าถ้าใครเราเท่านั้นควรแสดงธรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลายก็ไปเรื่อยนะฮะภิกษุณีทั้งหลาย แล้วก็อุบาสกทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหลายเอาก็สิบอ็ประเภททีนี้มาจนถึถงข้อสิบสองคืออย่าลืมว่าความคิดนี้มันคนละขณะคนละกรณีกันคนละวัตถุคนละบุคคลกันดังนั้นเวลาพระเถระต้องการอย่า ย, ย่อยให้เห็นอาการของกิเลสที่จริงมันเป็นความปรารถนาลามกด้วยกันนั่นแหละแต่ว่ามันคนละกรณีกัน ต้องการเป็นผู้นำหมู่ต้องการนำคนห้อมล้อมไปบินทั บ, บาตต้องการอย่าให้คนอื่นโจทกันอย่าให้คนอื่นโจทอาบัตตัวเองถ้าถ้า ต, ตนมีความผิดอะไรเนี่ยก็เรียกว่ากิเลสมันมันดุดเนินทีนี้พระสารีบุตรก็กล่กาวว่า พิสูจนเพิ่งเกิดความปรารถนาว่าเชไหนหนอพิสูุทั้งหลายควรสักการะเคารพนับถือบูชาเรามากมายต้องการมากมายอ่ะถ้าได้ก็ดีไปแต่ได้ท่านก็อยากได้ต่อละแบบตัณหาทั้งหลายเนี่ยทีนี้ถ้าไม่ได้ก็จะโกรธไม่แช่มชื่นอ่ะอิเลก็เกิดอีกแหละหรือว่าจะคิดว่า ทำอย่างไรหนอภิกษุบางรูปเ น, นี่ยทำในนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าถ้ากระไริกษุณีทั้งหลายวัสสุกทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหลายอีกแหละก็พึงคารพนับถือบูชาสาการาต่อเราถ้าได้ท่านก็เกิดตัณหาต่อถ้าไม่ได้ท่านก็เกิดโทสะอาจจะโทสะในภิกษุภิกษุณจนีบาสสุบาสิกาก็ผ่านดีผ่านขวางไปเรื่อยๆและ ก็ลามปามแบบพระเทวทัตกันเนะลยกันลามปามนี่เราเห็นเลยพระเทวทัตเนี่ยลามปามไปไม่เป็นเรื่องเลยก็วันก่อนดูอะไรอะเขาเรียกว่าเป็นไม่ใช่เป็นเจนริการตูนนะนะที่สถานีพระพุทธศาสนาเขาก็ออกตอนที่พระเทวทัตถูกโจนีสู ป, ปเด็กก็ทําดีนะฮะ ทำดีแต่ว่าพระพักพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยตรงกันคือน่าจะใช้ช่างคนเดียวแล้วก็เขียนไปก็สวยงามแหละว่าจริงๆก็สวยงามน่าสนใจหรือว่าต้องการ พวกนี้ต้องการอาธิบายไม่ใช่ต้องการปัจจัยทั้งสี่เนี่ยที่ประณีตปรารถนาไปเรื่อยๆไปจนถึงจีวรวบินทาบาทเสนาสะนะกิฬานะปัจจัยทั้งหมดก็รวมแล้วก็ท่านพระเถระแสดงไว้19เกอย่างเลยก็กเป็นอิจสาวจรคือจิตมันลล่นไปตามกระแสของกิลเลสนี่พูดในกรณีของภิกษุที่ ตัวเองมีเอากิเลสภายในก็แล้วกันมีกิเลสอยู่ภายในแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสอยู่ภายในรู้ว่าตัวเองไม่มีกิเลสอยู่ภายในแต่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีกิเลสอยู่ภายในโอกาสที่จะตึกนึกเนี่ยมันตึกนึกเป็นทางกุศลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ทีนี้ถ้าก็กล่าวต่อไปเพื่อ สแสดงให้เห็นถึงถึงการสายของกิเลสการสายของกิเลสเป็นเป็นแนวที่อะไรอะแนวของโปโนโภพิกาเนะ่ยหมายความว่าได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ก็ได้ไปเรื่อยๆแล้วได้ไปแล้วก็ไม่รู้ไปทําอะไรความอยากเหล่านี้ที่ยังนึกว่าโลกเราต่อไปจะจะลําบากเพราะว่าความโลภเนี่ย มันจะทำลายล้างผลาญทรัพยากรไปเรืร่อยๆมีความรุนแรงไปเรืร่อยๆทีนี้เมื่อต่างฝ่ายต่างก็อยากได้มันก็ยืออย้อแยงทรัพยากรกันพอเยอะแยงทรัพยากรมันก็ไปยึดครองดินแดนกันก็กลายเป็นศึกสงครามก็เตรียมอาวุธยุทธปัจัยรบกนิีก็ถ้าถ้าอยู่ไปได้สักสิปีคงจะเห็นอะไรแรงๆขึ้นมา เวลานี้มันทำยอดทุกวันเนี่ยทำยอดแข่งขันกันทุกวันแม้แต่ตลาดหุ้นขึ้นลงโยมันก็ตื่นเต้นกันตั้งเป้าตั้งเป้าไ้สูงสูงอยากได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ไม่นึกว่าความต้องการของคนนั้นไม่จำกัดแต่วัตถุที่จะตอบสนองมันมีอยู่อย่างจำกัดในขณะที่ปริมาณคนเพิ่มขึ้นแต่ความต้องการที่ ไม่จำกัดมันจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าถูกปันร้อยหรอลงไปที่อยจา ก, การสินสงครามเราลองดูว่าอาวุธยุทธปัจใจในเครือสองครามทั้งหลายนี่นะโอ้มันแพงจังเลยแต่ละอย่างแต่ละอย่าง ย, ยาสมัยสงครามอเมริกากับอิรักนะสงครามที่เกียร์คูเวตอะสองครามอ่าวเขาเรียกสงครามอ่าวเลยนะ ก็พยายาม ต, ต, ต, ต, ติดต่อเรื่องราคาของอาวุธพยายามศึกษาเรื่องราคาของอาวุธโอ้โอโรเราเสียดายอย่างแร่ธทาตุชั้นดีถูกทําลายและเอามาทําลายแล้วก็ทําลายทําลายทั้งคนทั้งแร่ธาตุทั้งสาภาพแวดล้อมทั้งธรรมชาติทั้งนำ้ำทำลายหมดเลยกิเลตประเภทโลพาโทรามหัทีนี้ แต่ถ้าคนประเภทที่ว่ามันมีนนอังคณะอิจาวจรอกุศลที่ยังละไม่ได้เนี่ยคือความปรารถนาที่มันเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆถ้าเราสังเกตว่าท่านจะเน้นไปที่ตัวปรารถนาแต่ว่าไม่สมปรารถนาก็เกิดโทสะเลยโทสะก็หลั า, ปาไปเรื่อยๆ ทีนี้พระสารีบุตรทา่านกล่าวว่าทั้งพระอิชาวะจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่พิสูรูปใดรูปหนึ่งอย่างละไม่ได้ชนทั้งหลายยังเห็นอยู่ยังได้ยินอยู่แม้เธอจะอยู่ในป่ามีเสนาสะนะอันสงัดหรือบินทบาทเป็นวัดเที่ยวบินทบาทเป็นวัดลำดับตามตอบกระรูปวัตถุชุดงเนี่ย ถึงเพื่อนสำรมาจารีทั้งหลายก็ไม่สักการะเคารพระพฤตบูชาภิกษุนั้นคนนั้นพระเอกอะไรพระอิชาวจรคือการแล่นไปของจิตด้วยแรงปรารถนาที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้ น, นท่านผู้มีอายุนั้นอย่างละไม่ได้จนทั้งหลายยังเห็นอยู่และยังได้ยินอยู่เปรียบเหมือนกระถาดทองสำริดที่บุคคล น, นํามาแต่ร้านตลาด หรือแต่สกุลช่างเป็นของไม่สะอาดหมดจดเจ้าของก็ซากศพงูซากศพสุนัขหรือซากศพมนุษย์วางไว้ในถาดทองสำริดนั้นติด้วยถาดทองสำริดในที่อื่นแล้วก็นำไปตลาด้นตลาดก็เห็นก็ชื่นชมแต่พอเปิดขึ้นไปเปิดขึ้นไปก็ก็จะเห็นไอ้ซากศพเรานั้น จะเกิดความไม่พอใจเกิดความเกลียดชังแม้คนที่หิวก็ไม่ปราถนาจะบริโภคไม่ต้องการไม่ต้องกล่าวถึงคนที่บริโภคกินแล้วอิชาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้เพระฉะ น, นั้นภิกษุรูปใด ร, รูปหนึ่งยังละไม่ได้อันชนทั้งหลายยังเห็นอยู่ยังได้ยินอยู่แม้เธอจะอยู่ในป่าประพฤติปฏิบัติ เ, เคร่งครัดภาคภูมมีมาต ก็น่าสถาเริ่มใส่อะไรก็ตามแหละแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้ากิเลสมันยังมีอยู่ในภายในเนี่ยระวังใจตัวเองไม่ได้หรอกพวกนี้แต่ละข้อที่พระเทระยกมานั้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตัวเบื้องตเริ่มงทั้งนั้นเรางการที่จะหลบหลีกเพื่อจะบรรเทาความรุนแรงของอิสาวาร อิสาวจรคือการสายไปแล่นไปวิ่งไปของความปรารถนาเหล่านี้ก็เรียกว่าความปรารถนาลามกนะสำนวนบาลีนี่ท่านเรียกว่าความปรารถนาลามกแต่ทำไมพระเทราจึงเน้นในเรื่องล่านี้มากเพราะว่าเป็นธรรมเทศนาที่เกี่ยวกับภิกษุโดยเฉพาะแต่อย่าลืมมาชาบ้านเองก็มีโลกมีกฎมีลมลมีราคามีโทสะมีโมหะ ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกเวลานี้มันก็คือคือคอิจฉาวจรการล่นไปของจิตได้แรงปรารถนาแล้วก็ไม่สามารถที่จะบัญญับบญญยังได้หยุดอยุดที่ใดที่เด่นได้เมื่อก่อนฝังข่าวนหน่อยหนึ่งที่ที่ขอนแก่นมีโจรสองคนนะฮะคนหนึ่งยิงปืนกราดเข้ามาในร้านทองคนหนึ่ง ไปโจรเขาไปขวาดทองว่าตั้งเท่าไหรสี่ถาดราคาเป็นล้านล้านอะ่ะแล้วก็ขับรถหนีแล้วก็ไปเปลี่ยนรถตำรวจเขาก็เชียบขาดเปนกันขึ้นหอเลยตามไปเลยแถวอำเภอรกระนวลเนี่ยนะฮะอำเภอรกระนวนก็ถนนก็ไม่ค่กว้างแล้วก็ ประมาณสักสามสี่ชั่วโมงนะฮะตรวจก็จับได้แล้วก็พอดีไปชนคนตายด้วยเลยก็ถูกทั้งร่นทรัพย์แล้วก็ทำคนตายด้วยความประมาทก็คงติดคุกนานนะฮะสามค น, นผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนผู้หญิงเป็นคนขับรถไอเนี้ยปรรถนาลาโมกมาเกินไปต้องฟังทั้หลาย เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านรรี้ที่สุดนี้ขอความเจริญพ้อมงามไตรภูมในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยทั่วกันสวัสดี